พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างความสุขทางใจดีกว่าสร้างความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายจะต้องมีปัญหาต่อไปเมื่อร่างกายเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตาย ก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ส่งสอนให้มาหาความสุขทางใจด้วยการสร้าง ร, รมปฏิบัติธรรมเพราะเป็นความสุขที่จีรังถาวรและยั่งยืนไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ต่อไปแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายก็ยังสามารถมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเชื่อและควรที่จะปฏิบัติตามเพราะเป็นความจริงถ้าเราไม่เอามาพิจารณา เราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะลืมไปว่าเราต่อไปเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บและเราจะต้องตายกันตอนนั้นมันก็จะสายไปเสียแล้วถ้าเราไปรู้ตอนนั้นว่าอ๋อร่างกายเราต้องแก่ร่างกายเราต้องเจ็บร่างกายเราต้องตาย เพราะตอ น, นั้นเราจะไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันเมื่อไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขทางใจได้ก็จะมีแต่ความสืมเศร้ามีแต่ความหดหู่มีแต่ความทรมานใจดังนั้นตอนนี้ ที่ร่างกายเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะมาสร้างความสุขทางใจกันได้เราก็ควรที่จะมาหัด ส, สร้างกันความสุขทางใจนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันเหมือนกับการเรียนหนังสือก็มีแบ่งเป็นระดับต่างๆ ระดับอนุบาลระดับปรถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาผู้ที่จะสร้างความรู้ก็ต้องเริ่มจากระดับต้นขึ้นไปก่อนระดับอนุบาลระระดับปฐมมัธยมอุดมศึกษาเพราะมีความยากง่ายต่างกันนั่นเอง ถ้าจะไปเริ่มในระดับที่ยากก็จะไม่สามารถที่จะกระทาได้ต้องเริ่มที่ระดับที่ง่ายแล้วไต่เต้าขึ้นไปสู่ระดับที่ยากขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงระดับที่สูงสุดได้ยิ่งขึ้นสูงยิ่งปฏิบัติในระดับสูงได้เท่าไหร่ ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความสุขทางใจนี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรสงสอนให้หัดทำบุญทำทานให้ละหัดรักษาศีลห้าไปก่อนอันนี้อยู่ในวิสัยของทุกทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะสามารถปฏิบัติได้พระองค์ไม่ส่งสอนพวกสัตว์เดรัจฉานก็เพราะทรงเห็นว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้การทำทานของเขาก็ยากการรักษาศีลของเขาก็ยากเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่สำหรับมนุษย์นี้ทรงเห็นว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ที่จะทำบุญทำทานได้ที่จะรักษาศีลห้าได้จึงทรงสอนให้มนุษย์เราโดยเฉพาะชาวพุทธผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในพระอริยสงสาวกให้ปฏิบัติตามคำสอนเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเห็นความสุขที่จะปรากฏขึ้นมาในใจตามลำดับแล้วพอได้สัมผัสกับผลแล้วก็จะทำให้มีศรัทธามีกำลัง ที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปสูงขึ้นไปได้ต่อไปดังนั้นผู้ที่เริ่มปฏิบัติถ้ายังไม่เคยเริ่มที่จุดเริ่มต้นก็ควรที่จะเริ่มที่จุดเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเริ่มที่จุดที่สูงที่ยากเพราะมันจะ ไม่เกิดผลแล้วจะทำให้เสียเวลาใจเย็นๆอย่าข้ามขั้นข้ามตอนไปตามกำลังของเราซึ่งอาจจะไปเร็วก็ได้อาจจะเรียนปั๊บแล้วก็สำเร็จทันทีก็สามารถข้ามขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปได้นี่คือ การสร้างความสุขทางใจที่สามารถสร้างกันได้ทุกคนถ้าเราทำตามขั้นตอนทำตามกำลังของเราถ้าเรายังไปสู่ขึ้นไปสู่ขั้นสูงไม่ได้เราก็มาเริ่มที่ขั้นที่ต่ำก่อนแล้วจากขั้นที่ต่ำเราค่อยไต่เต้าขึ้นไปแต่บางคนอาจจะมี ความสามารถติดตัวมาในอดีตชาติเคยอาจจะได้ทำบุญขั้นต่ำแล้วก็อาจจะไปทำบุญขั้นสูงเลยก็ได้คำบุญขั้นสูงก็คือขั้นของนักบวชนี่เองการจะทำบุญของขั้นนักบวชนี้อดีตอาจจะเคยเป็นนักบวชมาก่อนเช่นพระบางรูปนี้ บวชตั้งแต่เป็นสา ม, มนเณนรแล้วก็บวชไปตลอดชีวิตได้แสดงว่าชาติก่อนๆได้เคยฝึกได้เคยฝึกเป็นนักบวชมาก่อนเคยถือศีลของนักบวชมาก่อนแล้วพอมาชาตินี้พอมีโอกาสก็ไปบวชเลยตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่ให้ไปบวชเนนก็บวชเนร บวชแล้วก็ไม่ศึกบวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ออปฏิบัติได้ก็จะอยู่แบบนักบวชได้อ่อการปฏิบัติแบบนักบวชนี้จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจมากซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อปฏิบัติได้ผล ก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขแบบคารวาเเพราะความสุขแบบคารวะนี้สู้ความสุขแบบนักบวชไม่ได้ส่วนผู้ที่เป็นคารวะ น, นี้ยังบวชไม่ได้ก็ต้องสร้างความสุขระดับของคารวะก่อนอความสุขใจของคารวะก็คือการทำบุญทำทาน การรักษาศีลห้าอพอทาบุญทาทานรักษาศีลห้าได้เป็นปกติคือสามารถทำบุญทาทานได้ทุกเวลานาที่ที่จาเป็นที่จะต้องทําหรือที่มีความสามารถที่จะทําได้แล้วสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างสม่าเสม อ, อก็อาจจะมา หัดปฏิบัติทำในระดับของนักบวชในวันพระในวันว่างจากภารกิจการงานก็ลองมาอยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชเปลี่ยนจากศีลห้าขึ้นมาเป็นศีลแปดแล้วก็มาหัดสร้างความสุขแบบนักบวช ก็คือความสุขที่เกิดจากการภาวนาการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานการรักษาศีลห้าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางโลก ความสุขทางโลกก็เคยความสุขที่ได้จากลาบยศสะลดเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนั้นเป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ได้มาป๊อปก็จางหายไปพอจางหายไปก็อยากจะได้อีกก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแต่หามา หาได้มากได้น้อยหามาได้นานเท่าไหร่มันก็จะหายไปหมดอยู่เดียวเดียวอยู่ตอนที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอมันผ่านไปหมดไปมันก็ปล่อยให้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ปล่อยให้หิวปล่อยให้อยากไปเรื่อยๆความสุขแบบนี้ที่คารวาดผู้คองเรือนผู้ที่ไม่ได้เข้าวัดเข้าวา จะเสพกัน ค, ววววว ha, คือหา e er ان, ความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหาความสุขจากการดูการฟังหาความสุขจากการกินการดื่มหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่ ง, ง, งเป็นความสุขที่ชั่วคราว แล้จะทําให้ต้องคอยดิ้นรนหาอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้ต้องติดอยู่กับ ก, บการหาเงินหาทองเมื่อหาเงินหาทองก็จะต้องพอได้เงินได้ทองมาก็จะเอาไปใช้กับการซื้อความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอใช้ไปเงินก็จะหมดหมดก็ต้องไปหาใหม่ ก็จะติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้ไปจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองการหาความสุขแบบทางโลกได้อันนี้แล้วก็จะทำให้มีความทุกข์ทรมานใจ แล้วหลังจากที่ตายไปก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมามีร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้มาหาความสุขแบบที่เอยหาอีกก็จะติดกับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดนะช่วงที่ก่อนจะได้กลับมาเกิดก็อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาป ที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าบาปก็จะได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็จะต้องไปรับผลบาปในอบายก่อนในนรกก่อนเราถึงจะค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมา หาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการวนเวียนแบบนี้มันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาความสุขเพราะเวลาที่เรามาเกิดนี่เรามักจะต้องร้องห่มร้องไห้กัน การร้องห่มล้องไห้นี้ก็แสดงว่ามันเป็นความทุกข์กันถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราร้องห่มร้องไห้ามามากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้เอาน้ำตาที่เราแหลงแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันน้ำตาที่เราได้หลังมานี่มันมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเอ๊นี่แหละคือผล ของการที่ไปหาความสุขทางร่างกายทางโลกคือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสที่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ต้องมาทุกกับการพัดพาดจากสิ่งต่างๆไปไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพาดจากกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย เวลาจากกันก็จะมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความเสียใจต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ น, นี่คือผลที่จะได้จากการที่ไปหาความสุขทางโลกหาความสุขจากาลามยศสรรเสริญจากรูปเสียงกล่นนดนวดเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจ เวลาได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจต้องมีความเสียใจมีความเศร้าโศกตามมาเสมอน้ำตาที่หลังจึงมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วก็ยังจะไม่มีวันสิ้นสุดลงยังจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้จักการหาความสุขแบบวิธีอื่นนั่นเอง การจะหาความสุขแบบวิธีอื่นแบบที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหาความสุขแบบของพระพุทธของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายซึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งที่จะมีความสามารถหาความสุขในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีที่จะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเป็นการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดังนั้น ชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติวิเศษของพวกเราผู้ที่ได้มาเจอคำสั่งคำสอนอันวิเศษที่จะพาให้เรานี้ไปพบกับความสุขแบบถาวรเป็นความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย เมื่อพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาแล้วก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราหาความสุขอย่างไรพอรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะพัฒนา ข้าขึ้นสู่ความสุขระดับต่ำจากระดับต่ำขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆระดับต่ำก็คือระดับของผู้คองเรือนผู้คองเรือนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติแบบนักบวชได้เพราะยังมีภาระต่างๆที่ยังต้องคอยรับผิดชอบอยู่มีครอบครัวมีอะไรที่จะต้องคอยช่วยกันดูแลกันอยู่ ยังไม่สามารถที่จะไปบวชได้ก็ต้องหาความสุขแบบคารวา่ะพวกของเรือนก่อนจะไม่ได้เป็นาการหาความสุขแบบทางโลกเป็นการหาความสุขแบบแบบทางธรรมเป็นความสุขทางใจก็คือความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้านี่เอง นี่คือทรระดับของผู้ของเหลือนความสุขของความสุขทางใจของผู้ระดับของระดับผู้ของเหลือนก็คือการทาบุญทาทานการรักษาศีลห้าหการทำบุญทาทานก็คือการเอาเงินที่เราจะไปหาความสุขทางโลกนี้เองมาหาความสุขทางธรรมแทนแทนที่เราจะไปเที่ยวกัน เป็ในช่วงนี้มีวันหยุดใกล้กันอา จ, จะลาหยุดได้ถึงห้าวันถ้าลาวันนี้ด้วยก็อาจจะคิดไปเที่ยวต่างประเทศอก็ถ้าไปต่างประเทศก็ต้องใช้เงินไปเที่ยวก้อนหนึ่งเนีก็ทางศาสนาก็สอนว่าแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวให้มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานดีกว่าะ คือ <c oughs> คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปวัดไปวัดแล้วก็ไปทำบุญทำทานใบหันรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วจะได้ความสุข <c oughs> ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็เพลิดเพลินอยู่ห้าหกวัน พอกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จางหายไปแต่เงินที่เราเอามาทําบุญทําทานมาทําประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราเห็นความสุขที่เขาได้รับจากการทําบุญทําทานของเรามันก็จะทําให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความสุขใจ และทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้ถึงแม้จะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจมันก็ยังมีอยู่กับเราไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวพอเราเที่ยวกลับมาแล้วพอไปคิดถึงมันแลมันก็ทําให้เราหิวขึ้นมาไม่ได้อิ่มทาให้เราอยากกลับไปเที่ยวอีกเนี่ย เมื่อเราอยากกลับไปเที่ยวอีกเราก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวใหม่อีกอันนี้ต่างกันตรงนี้การเอาเงินมาทำบุญทำทานจะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะไม่มีความหิวที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ถ้าไปเอาเงินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่เรื่อย แในเวลาที่อยากไปแล้วไม่ได้ไปก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เ, ออเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจขึ้นมาไม่มีความสุขเพราะจะมีความสุขได้นั้นต้องเกิดจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แตถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาทําบุญความอยากที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองความอยากจะไปเที่ยวต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเบาลงไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปทุกครั้งที่เรามีความอยากเราก็เอาเงินไปทําบุญแทนที่จะไปเที่ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปต่อไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆกับมีความสุขมากกว่ากับการไปเที่ยว ที่ไหนจะสุขกว่าที่บ้านเราที่บ้านเรานี่มีพร้อมทุกอย่างที่กินที่นอนไม่ต้องไปเดินทางไม่ต้องไปเสี่ยงภัยไม่ต้องไปวุ่นวายกับข้อกฎระเบียบต่างๆเช่นต้องมีหนังสือเดินทางมีวีซ์่งวีซ่าต้องไปจองที่พักจองโรงแรมไปแล้วก็ต้องไปหาที่กินที่ดูที่อะไรต่างๆ ความสุขแท้จริงอยู่ที่การเราอยู่เฉยๆได้นะฮ ะ, ะอยู่เป็นสุขนี่แหละเป็นสุขที่สุดจะเป็นสุขได้เราก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆความอยากที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือความอยากจะไปดูนั่นดูนี่ไปฟังนู้นฟังนี่ไปกินไปเดิมอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามตัดมันไปดีกว่า วิธีที่จะตัดก็คือเอาเงินที่จะไปทำตามความอยากเหล่านี้เอาไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้ความอยากมันน้อยลงไปแล้วจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจะไม่อยากไปไหนอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขแลอันนี้เป็นความสุขในระดับของผู้คองเรือน ถ้าได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่มีไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการไปทำอะไรที่เสียหายการรักษาศีลก็เพื่อที่จะป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดจากการทำบาปนั่นเอง ว่าเวลาเราทำบาปแล้วนี่ผลมันเกิดขึ้นทันทีมันไม่ได้มารอตอนที่เราตายไปแล้วถึงจะเกิดอันนั้นก็เกิดแต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละเวลาเราทำบาปนใจของเราจะไม่สบายเวลาทำอะไรให้คนอื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนใจของเราจะเกิดความทุกข์เกิดความกงมังวลกลัวที่จะต้อง ถูกจับไปลงโทษหรือกลัวว่าจะเขาจะกลับมาล้างแค้นมาทําร้ายเราแต่ถ้าเราไม่ไปทําอะไรให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่มีใครเขาจะมาตามล้างแค้นเราจะมามีเรื่องมีราวกับเราเนีนี่คือการรักษาศีลการทําบุญทําทานนี้ก็คือความเมตตานั่นเองะ การผู้ที่ทำบุญทำทานได้ผู้ที่รักษาศีลได้นี้ก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาเอาเวละอัปยาปชาหุนตุเนี่ยสเปสตาอัปยาปชาหุนตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจกันด้วยการทำบาปนี้เอง การทำบาปนี้ก็จะเบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายทำให้เขาต้องเจ็บกายเจ็บใจแต่ถ้าเราไม่ทำบาปก็เท่ากับเราแผ่เมตตาอัปปายาป ช, ชาโหตุอเวราโหตุก็คือเราไม่จองเวรจองกรรมด้วยการไปอาคาดพยาบาทล้างแค้น อันนี้ก็เป็นการทำบาปเหมือนกันเป็นการสร้างความเมตตาถ้าเราไม่ไปจองเวรจองกรรมอปยาปัจชาโหนตุไม่ไปเบียดเบียอนอานิฆาโหนตุไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นสุ ข, ขีอตานางปาลิฮานตุให้ความสุขกับผู้อื่นการให้ความสุขก็คือการทำบุญทมทานนี้เอง แบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้ที่เขายากไร้ที่เขาขาดแคลนความสุขไปเอาเงินเาทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี่ไปทำบุญทำทานทำให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนกับเราการกระทำสองอย่างนี้คือการทำบุญทำทานและการรักษาศีลห้านี้ก็คือการแผ่เมตตานั่นเอง นี่ละคือวิธีแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ได้แผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนตอนที่เราไหว้พระสวดมนแล้วสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดหมดแผ่เมตตาเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจให้มันทําบุญทําทานให้มันรักษาศีลห้าอยู่เรื่อย นี่คือความหมายที่แท้จริงเพราะถ้าเราไม่สวดเนี่ยเราก็อาจจะลืว่าอ้อเราต้องแผ่เมตตาเนะเราต้องทำบุญทำทานให้ความสุขกับผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องทำร้ายผู้อื่นนี่แหละคือความหมายของการสวดบทแผ่เมตตาที่เวลาเราไหว้พระสวดมนต์กัน แล้วเราก็จะแผ่เมตตากันความจริงไม่ถูกไม่ควรพูดว่าแผ่เมตตาเพราะยังไม่ได้แผ่เป็นการสวดบทแผ่เมตตาบทที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรออการแผ่เมตตาก็แผ่ด้วยการทำบุญทำทานแผ่ด้วยการไม่กระทำบาปคือการรักษาศีลห้านี่เองเออ อันนี้แหละถ้าเราทําบุญทําทานเรารักษาศีลห้าแสดงว่าเรากําลังแผ่เมตตาแล้วแต่เวลาเราสวดบทแผ่เมตตานี้เรายังไม่ได้แผ่เมตตาขอให้ทําความเข้าใจไม่เช่นนั้นเราจะมักจะทํากลับกันจะไปคิดว่าการแผ่เมตตาคือการสวดบทแผ่เมตตาส่วนเวลาถึงเวลาทําบุญทําทานก็ไม่อยากจะทำํำ เวลาให้รักษาศีลก็ไม่อยากจะรักษาอย่างนี้ก็ไม่ได้แผ่เมตตาถึงเวลาควรจะทำบุญทําทานเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเหลือบ้อนไม่แบ่งปันความสุขไม่ช่วยเหลือกันละกันอันนี้ก็ไม่ได้แผ่เมตตาถึงเวลาอยากได้อะไรหรือโกรธใครก็ไปทาร้ายเขาด้วยความอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็ไม่ได้แผ่เมตตา แผ่ความโกรธแผ่ความอาฆาตพยาบาทเนี oh. ่ยการสวดนี้เป็นการเตือนใจสอนใจเพราะเรามักจะลืมวันวันหนึ่งนี้เราวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวุ่นวายกับการทำภารกิจอะไรต่างๆมากมายจนบางทีเราลืมไปว่าเราต้องมีการแผ่เมตตา เวลาเราโกรธใครเราต้องรีบระ ง, งับความโกรธด้วยความไม่ไม่ไปทำร้ายไม่ไปจองเวรจองกรรมผู้อื่นให้อภัยใครเขาพูดอะไรเขาทำอะไรให้เกิดความเสียหายเราต้องรีบแผ่เมตตาตอนนั้นคือไม่ถือโทษกรดเคลีงให้อภัยอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนกับลิ้นกับฟัน บางครั้งก็มีการขบกันได้อยู่ร่วมกันในโลกนี้ท ร, รมาหากินก็อาจจะมีการแข่งขันกันแย่งกันบ้างก็ต้องมีเมตตาถึงจะไม่ไปทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นถ้าถ้ า, ถ, าถ้าจะเกิดความเสียหายก็ต้องรีบแผ่เมตตาด้วยการระ ง, งับการกระทานั้น อ, อันนี้แหละเรียกว่าเป็นสิ่ง ที่เราต้องเรียนต้องศึกษาต้องคอยเตือนใจบทแผ่เมตตานี้ก็มีไว้สอนใจเมื่อเราสวดแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือต้องเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดถ้าไม่เข้าใจความหมายก็จะไม่สามารถนาเอาไปปฏิบัติได้เช่นเอาเวลาโหนตุอย่าจองเวรจองกรรมกัน เรายังจองเวรจองกรรมกันอยู่หรือเปล่าถ้าเราจองเวรจองกรรมก็สแสดงว่าเรายังไม่ได้แผ่เมตตาถึงแม้เราจะสวดบทแผ่เมตตาทุกวันทุกคืนทุกเชา้าทุกเย็นแต่ถ้าเรายังจองเวรจองกรรมกับคนนั่นคนนี้อยู่ก็สแสดงว่าเรายังไม่ได้แผ่เมตตาอัายาป ช, ชาหนตุเรายังเบียดเบียนกันอยู่หรือเปล่ายังแก้งแย่งชิงดียัง ให้ร้ายให้ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทำอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้แผ่เมตตาถ้าเรายังไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บช้าน้ำใจด้วยการพาดูดหรือด้วยการกระทำของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทำอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้แผ่เมตตาเราให้ความสุก blind, กขกั่ผู้อื่นหรือเปล่า รดยว่าเราไม่ค่อยให้ความสุขกับผู้อื่นเราคิดแต่จะหาความสุขกับตัวเราเพียงคนเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเรายังไม่ได้แผ่เมตตานี่ยนี่คือความหมายหรือหน้าที่ของการสวดบทแผ่เมตตาเพื่อให้เราเอามาคิดกันไม่ใช่สวดแบบนกแก้ว นกแก้วมันก็มันก็พูดสอนมันบอกแก้วจ๋าแก้วจ๋ามันก็พูดแก้วจ๋าแก้วจ๋าตามได้แต่พอเอาแก้วให้มันมันเขี่ยทิ้งหมดเอาเพชรให้มันมันก็เขี่ยทิ้งหมดเพราะมันกินไม่ได้เออพอเอากล้วยเข้ามานี่มันคว้ามับเลยเหมือนกล้วยจ๋ากล้วยจ๋าทันทีนี่ก็เหมือนกันสวดบทแผ่เมตตาแต่พอเวลา ออกไปทําอะไรนี้ไปแย่งกันไปกัดกันไปตีกันไปทะเลาะกันไปมีเรื่องมีราววุ่นวายกันหมดเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเหมือนนกแก้วนะมื่อคือไม่เข้าใจความหมายของการแผ่เมตตาสวดกันไปอย่างนั้นเองส่วนว่าอาเวลาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรต่อกันและกันอย่าเบียดเบียนกันและกันะ อย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันให้ความสุขต่อกันและกันก็เพียงแต่เป็นการสวนแต่การปฏิบัติจริงๆกลับตรงกันข้ามกันกับเบียดเบียนกันกับทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันกับให้ความทุกข์กันไม่แทนที่จะให้ความสุขกับให้ความทุกข์กันแทนที่จะไม่จองเวรจองกรรมก็กลับมาจองเวรจองกรรมกันถ้าการปฏิบัติเป็นแบบนี้ การสวดบทแผ่เมตตาก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ได้แผ่เมตตาฉะนันขอให้ทำความเข้าใจไว้เพราะท่าที่ได้ยินได้ฟังคำถามของผู้ที่ถามเข้ามานี้มักจะคิดว่าเวลาแผ่เมตตาก็คือเวลาสวดมนต์เท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงซึ่งไม่น่าจะเข้าใจผิดเลยเพราะความเมตตานี้มีไว้เพื่ออะไร เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นความอย่างมีความสุขไม่ใช่เหรอเมื่อเช่นนั้นเราก็ต้องให้เมตตาต่อกันเวลาที่เราเจอกันสิไม่ใช่มาให้เมตตาต่อกันเวลาไม่เจอกันเวลานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ให้เมตตาแล้วใครจะมารับความเมตตาจากเราไม่มีใครมารับความเมตตาจากเราแล้วเราไปแล้วเรามานั่งแผลกัน แผ่ไปหาอะไรแผ่ไปให้ใครไม่รู้ว่าความเมตตาเป็นอย่างไรเลยคิดว่าเป็นกระแสวิทยุเป็นกระแสเหมือนกระแสวความคิดบางคนคิดว่าโอ้ยพอนั่งสวดบทแผ่เมตตานี้เมตตาของเราไปทั่วโลกเลยไปมันจะไปไหนมันมันไม่มีเมันเป็นเพียงแต่คําพูดคาสวดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการกระทำเมตตานี้คือการกระทา ให้ความสุขกับผู้อื่นไม่ให้ความทุกข์กับผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทาของเราอันนี้เป็นการสวดการสวดนี้เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจถ้าเป็นนักมวยก็เป็นเหมือนกับการซ้อมชกก่อนขึ้นเวทีนั่นเอง ก่อนจะขึ้นเวทีถ้าเราไม่ซ้อมโชคก่อนพอขึ้นเวทีก็จะถูกคู่ต่อสู้น็อกเอาได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนพอคู่ต่อสู้เขาพอเจอคู่ต่อสู้เราก็จะสู้เขาได้เราก็จะชนะเขาได้คู่ต่อสู้ของเราก็คือความไม่เมตตานีนเองที่เราต้องมาฝึกเมตตาเขาเพราะว่าเรามีคู่ต่อสู้ที่จะมาคอยท้าทายเราอยู่เรื่อย ก็คือความไม่เมตตานั่นเอง e ออการชอบจองเวรจองกรรมกันนี่ก็เรียกว่าไม่เมตตาการชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เมตตาการชอบทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นก็ไม่เมตตาความไม่ให้ความสุขกับผู้อื่นให้ความทุกข์กับผู้อื่นก็เรียกว่าไม่เมตตานั่นเองไอ้ตัวนี้แหละที่เราต้องการจะสู้ต้องการที่จะกําจัดมันให้หมดไปจากใจ เพราะตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราต้องไปตกเราลบไปอบายกันนั่นเองแต่ถ้าเรามีเมตตาทุกครั้งที่เราเจอความไม่เมตตาเราก็เอาเมตตามาดับมันทุกครั้งที่เราจะเบียดเบียนใครเราก็ใช้ความเมตตามาหยุดมัน อ, อย่างนี้มันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปรับโทษ ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปอบายนั่นเองประโยชน์ของการแผ่เมตตานี้ก็มีมากมายหลายข้อด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าข้อที่หนึ่งผู้แผ่เมตตานี้จะอยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขอหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะมีหนา้าจะไม่จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเกิดจะไม่มีจะไม่ถูกผู้อ่นฆ่าตายพูดง่ายๆ่อยเพราะผู้มีเมตตาจะไม่ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเสียหายจะไม่มีจะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาโกรธเขาอาฆาตพยาบาทก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษแล้วก็จะมีหนา้า หน้าตาผิวพรรณผ่องใสถ้าเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแล้วถ้าตายไปจิตก็จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่คือประโยชน์ของการมีความเมตตามีการแผ่เมตตาหรือใช้เมตตาการใช้เมตตาก็ ตามที่พุทธเจ้าส่งสอนให้กระทำอยู่สองข้อนี้ก็คือการทาบุญทาทานให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วก็การรักษาศีลไม่ทาบาปเพื่อระงับการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมหรือการไปทําให้ผู้อื่นเขาเจ็บช้าน้ำใจหรือทําให้เขาเจ็บทางร่างกายหรือไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น น่นนี่คือหลักธรรมของผู้กองเรือนคือให้มีความเมตตาด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีห้าแล้วใจจะมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะทำให้มีกําลังที่จะก้าวขึ้นสู่ ความสุขระดับที่สูงขึ้นไปก็คือความสุขระดับของนักบวชในเบื้องต้นก็สอนให้ไปหัดอยู่แบบนักบวชอาทิตย์ละหนึ่งวันคือในวันพระถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ครบสามารถทําบุญทําทานได้ก็จะไม่มีความคิดอยากจะไปหาความสุขทางร่างกาย อื่างการไปอยู่วัดเพื่อไปถือศีลแเพื่อไปหัดภาวนาก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรถ้ามีความสุขจากการทำบุญทำทานแล้วก็ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายไม่ต้องไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ไม่ต้องไปหาความสุขจากการกิดืด่มการรับประทานตามความอยากต่าง ไม่ต้องไปหาความสุขจากมหรสพบันเทิงไม่ต้องหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายก็จะไปอยู่วัดไปถือศีลแปดได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นจะไม่รู้สึกรู้สึกลำบากไม่เหมือนกับคนที่ยังติดกับการหาความสุขทางร่างกายอยู่นี่จะไม่ชอบไปอยู่วัด เพราะจะไม่ได้แต่งตัวให้ดูเ ล, ล้าสวยงามจะไม่ได้กินได้ดื่มตามที่ต้องการจะไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมอหอรสพ บ, บันเทิงต่างๆก็จะรู้สึกเหมือนปรับไปติดคุกอย่างนั้นเพราะใจไม่มีความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานได้และจากการมีความเมตตาสำหรับคนที่ มีความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลห้าแล้วก็อยากจะไปวัดไปหาความสุขที่มากกว่าที่ได้จากการอยู่อยู่ที่บ้านการที่จะหาความสุขที่มากกว่าได้นั้นต้องไปอยู่ที่สงบที่เงียบกว่าที่บ้านเพราะที่บ้านนี้ยังมีคนอื่นที่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายกันอยู่ ยังมีคนดูหนังฟังเพลงยังมีคนร้องราทำเพลงมีคนกินอาหารเย็นแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดก็จะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้มีแต่กิจกรรมที่จะมาเสริมความสุขทางใจคือการไหว้พระสวดมนต์การฟังเทศฟังธรรมการนั่งสมาธิการหัดจเจริญสติด้วยการเดินจงกรมเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะสร้างความสุข ทางใจในระดับที่สูงระดับที่มากขึ้นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่ผู้ที่สามารถรักษาศีลาและทาบุญเป็นปกติได้แล้วก็จะสามารถที่จะไปอยู่วัดได้ในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆเป็นการไปชิมเหมือนกับไป ชิมอาหารที่ร้านอาหารที่เราไม่เคยไปรับประทานแต่เราเคยได้ยินได้ฟังเขาโฆษณาว่าอาหารร้านนี้อ ร, อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยู่ไกลจากบ้านต้องเดินทางไปไกลหน่อยพอวันไหนเรามีเวลาว่างก็ลองไปดูซิว่ามันอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าไม่ไปก็จะไม่มีวันรู้ ต้องไปชิมดูถ้าไปชิมแล้วถ้าเป็นหาน อ, อร่อยก็จะทำให้อยากจะกลับไปอีกต่อไปก็จะกลับไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเช่นเดียวกับการที่เราไปหาความสุขระดับของนัก บ, บวชนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเพราะความสุขความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดผู้ใดได้เสพสัมผัสแล้วจะรู้แล้วจะไม่ต้องการความสุขแบบอื่นอีกต่อไปแต่ก่อนที่จะเลิกการหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ก็ต้องไปสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้ได้ เหมือนกับพอเราไปชิมอาหารร้านนี้ถูกใจเราแล้วทีนี้ก็ไม่ไปกินร้านอื่นแล้วไปกินแต่ร้านนี้ร้านเดียวไปกินที่ไรก็มีความอิ่มหนำสำราญใจทุกครั้งเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ไปอยู่วัดไปหัดนั่งสมาธิไปหัดฝึกจิตควบคุมจิตําจิตให้สงบแล้วถ้าเกิดได้ผลขึ้นมาเมื่อไหร่จะรู้ทันทีว่า ความสุขแบบนี้แหะเป็นความสุขที่ดีที่สุดเราจะรู้ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรเพราะว่าเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้อะไรนอกจากพลังจิตของเราความสามารถของจิตเราคือการมีสติควบคุมจิตของเราให้หยุดคิดมีความสามารถที่จะห้ามจิตไม่ให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ ถ้าเรามีความสามารถแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถหาความสุขทางใจได้หาความสุขที่เกิดจากความสงบได้แล้วความสุขนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาได้ตลอดเวลาร่างกายแก่ก็หาได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายก็หาได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายก็หาได้ เพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็สามารถหาความสุขในจากความสงบได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ต้องอไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองถ้าเราหาความสุขทางร่างกายนี้เราต้องมากังวลกับหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทองมีเงินทองพอที่จะไปซื้อความสุขต่างๆหรือเปล่า สองต้องมากังวลกับร่างกายว่ามีความสามารถที่จะไปทำตามความอยากได้หรือเปล่าบางทีมีเงินทองมีที่เที่ยวแต่ร่างกายมันไม่สบายอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ต้องมีเรื่องที่จะทำให้เราต้องกังวลต้องผิดหวังต้องเสียใจถ้าเราคอยหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบได้นี้ เราจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างความสุขให้กับเราเรามีสติมีปัญญาเท่านั้นเราก็จะสามารถที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกสถานภาพ นะเมื่อเราหาได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บแมา่ตายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการพัดภาาจากกันแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะอยู่ที่เดียวไปตลอดคือ น, นิพพาน นิพานก็คือที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่ที่มีแต่ความสุขในระดับสูงสุดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังความสุขอันสูงสุดนิพานนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองใจที่สงบนี่แหละใจที่สงบด้วยสติใจที่สงบด้วยปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถพัฒ ความสุขนี้ได้พอได้แล้วเราก็เรียกความสุขแบบนี้ใจแบบนี้ว่านิพานนิพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่สวรรค์นรกก็ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของใจใจที่เป็นนรกใจที่เป็นอบายเพราะมีบาบมากบาปก็จะผลิตความทุกข์ความร้อนให้กับใจความทุกข์ความร้อนของใจเราก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบาย สนใจที่มีบุญก็จะผลิตความสุขความเย็ยนของใจเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะว่าความสุขความเย็ยนของใจก็มีหลายระดับสุขมากเย็ยนมากสุขน้อยเย็ยนน้อยก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไปแต่พอได้สุขแบบนิพพานนี้เป็นสุขแบบเต็มที่ร้อยเปอร์ซนและเป็นสุขแบบไม่มีวันเสื่อมเราก็เรียกว่านิพพาน แต่ถ้าสุขแบบสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ยังมีการเสื่อมได้เพราะยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเพราะยังไม่ได้ทําลายเหตุที่มาทําให้ความสุขความเย็นของใจเสื่อมก็คือกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้รับการทําลายแต่ถ้าได้ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วความสุขความเย็นของใจนี้ก็จะเป็นถาวร จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันเสิ้นะความสุขแบบนี้ก็เรียกว่านิพานนิพานก็คือใจที่สิ้นกิเลสนี่ใจที่ไม่มีกิเลสที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอีกต่อไปไม่ต้องมาดึงใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการที่เรา มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีความศรัทธามีความเชื่อที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปตามกำลังของเราตอนนี้เราอยู่ในขั้นของผู้ของเรือนเราก็ปฏิบัติแบบผู้ของเรือนไปถ้าเราคิดว่าเราสามารถปฏิบัติแบบนักบวชได้ก็ลองไปบวชชั่วคราวดูก่อนก็ได้ ช่วงไหนมีการหยุดห ล, ยหลายวันก็ลองไปบวชไปอยู่วัดชั่วคราวจะก่อนผมหรือไม่ก่อนผมนี้ก็เป็นเพียงเครื่องแบบไม่จำเป็นการบวชที่แท้จริงไม่ได้บวชที่ร่างกายแต่บวชที่ใจบวช ด, ด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าอยากจะลองบวชก็ลองไปอยู่แบบนัก บ, บวช ด, ดูไปถือศีลแปญญดดูแล้วก็ไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญาดูถ้าอยู่ได้ ไปเรื่อยๆก็แสดงว่ามีกำลังที่จะอยู่แบบนักบวชก็บวชแบบไม่เสร็จไปแต่ถ้ายังไม่มีกำลังอยู่ไปแล้วเดี๋ยวหมดแรงอยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวสู้กิเลสที่ยังอยากจะดึงให้ไปหาความสุขทางร่างกายก็ต้องลาสิกขาไปก่อนกลับไปหาความสุขทางร่างกายก่อนแล้วพอเจอความทุกข์ก็อาจจะเบื่อแล้วก็กลับมาบวชใหม่ เข้าๆออกออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเข็ดจะเบื่อกับความสุขทางโลกทางร่างกายล้วก็อาจจะตั้งใจที่จะศึกที่จะปฏิบัติสร้างความสุขทางใจอย่างจริงจังถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรพยายามอย่างจริงจังแล้วก็จะได้ความสุขทางใจพอได้แล้วทีนี้ก็จะไม่อยากจะกลับไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไป นี่คือขอบวนการของการเข้าหาความสุขต้องเข้าหาตามระดับกำลังของเราไม่ใช่ตามความอยากของเราอยากอย่างไรถ้ามันไม่มีกำลังมันก็ไปไม่ได้ถ้ามีกำลังมันไม่อยากมันก็ไปของมันเองมันจะผลักไปเองเพราะมันจะเบื่อกับความความสุขทางร่างกายเพราะมันเป็นความสุขที่มีความคุกตามมีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆนั่นเอง เวลาสุขก็ดีหรอแต่พอเวลาเจอความทุกข์นี่มันก็ทำให้เบื่อได้อันนี้ก็ต้องดูกำลังของตัวเองดูความสามารถของตนเองแล้วก็ลองปฏิบัติไปตามกำลังดูแล้วจะค่อยพัฒนาไปเองแต่ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีวันก้าวหนะ้าต้องลองไปอยู่แบบนักบวช ด, ดู ถึงจะรู้ว่าทำได้หรือไม่ได้ทำได้มากทำได้น้อยพอทำได้น้อยก็ต้องพยายามหัดทำให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นเพราะของพวกนี้พัฒนาได้การพัฒนานี้ก็พัฒนาที่ธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้านั่นเองธรรมที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจก็คือสติก็พยายามหัดฝึกสติสร้างสติขึ้นไป อาจควบคุมใจให้ว่างจากความคิดปุ่งแต่ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นกับอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้ามีความพยายามตั้งใจให้อยู่กับพุทธโธไปต่อไปใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมีสติมากขึ้นความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปก็จะไปได้อย่าง อย่างตลอดลอดฝังขอให้รู้ว่าต้องทำอะไรเท่านั้นล้วทำสิ่งนั้นถ้าได้ทำแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการหาความสุขทางใจที่ดีกว่ า, วาการหาความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายจะต้องไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหาความสุขทางใจแล้วนี้จะห่างจากความทุกข์ไปเรื่อย จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องการหาความสุขทางใจนี้ให้ท่านนำเอาไปพิพพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอ an ิที่ตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกปา ยันโทปนะราโสยะามริโชติอาราโสยะาสัตติโยวิวาชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะโนวันตรายุสุขีธีคายุโกภวะอะพิวาฒนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโน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 แล้วจะมีพิธีกรอ่านคำถามให้วันนี้ก็ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสองร้อยห้าสิบหกยสองร้อยแปดสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังข้างบนนี้หนึ่งร้อยสิบเก้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบครับก็มีเป็นประ <c oughs> <c oughs> จำ <c oughs> <c oughs> ทุกวันช่วงประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยทุกวัน ถ้ามีใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ถ้ายังไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากคุณธีรชาติการเอาน้ำตาในแต่ละชาติมารวมกันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี้เหมือนกับว่าจํานวนชาติในอดีตแทบจะนับไม่ได้เลยใช่ไหมครับและมีวิธีเดียวที่จะหยุดมีหนทางเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนวิธีให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันความสุขที่เราหามันเป็นความสุขที่วนอยู่ในอ่างหาท้าไห่ก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอต้องไปหาความสุขนอกอ่างความสุขนอกอ่างก็คือความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบเนี่ย ถ้าตามใจให้สงบแล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขอีกไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญก็ไม่ต้องมามีร่างกายก็ไม่ต้องมีการเกิดอีกต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการที่เราเมตตาคนที่เคยทำไม่ดีกับเราแต่คนอื่นกลับมองว่าการที่คุยดีและให้การช่วยเหลือเขา ถูกคนอื่นมองว่าโง่ที่ไปดีกับคนที่เคยทําให้เราเจ็บเพื่อนที่เคยคบก็เลิกคบเราจะวางใจอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าเขาโง่เห็นเขาถึงเห็นว่าเราโง่เราไม่โง่เราฉลาดแต่เมื่อเราไม่เห็นเหมือนเขาเขาก็เลยว่าเราโง่เพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เรารู้ว่าเราไม่โง่เพราะว่าเราทําตามคนฉลาด คนฉลาดก็คือพระพุทธเจ้ายนันขอให้เชื่อเถิดทําตามที่พุทธเจ้าแล้วอ น, นิสงค์ของความเมตตาจะเกิดขึ้นมาเองคนที่เขาอาจจะเลิกคบกับเราก็เพราะว่าเขาเป็นพวกคนโง่ด้วยกันเขาก็เลยไม่อยากจะคบกับเราเพราะเขาคิดว่าเราโง่แต่ความจริงแล้วเราเป็นคนฉลาดเพราะถ้าเรามองระยะ ย, ยาวแล้วผลมันดีะ เพื่อเราไม่ไปทาให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนจะไม่มีใครมาเกียดมาชังเราไม่มีใครจะคิดทำร้ายเราดังนั้นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเราเองก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอเราจะไม่ผิดหวังเพราะผู้ที่ได้ทําตามมาไม่มีใครมาบ่นว่าผิดหวังกันมีแต่สมหวังสมหวังกันทั้งนั้น คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วครอบครัวสามีมีฐานะที่ดีกว่าภรรยาจึงนาเงินของครอบครัวสามีไปจุนเจือพ่อแม่พี่น้องของตัวเองโดยที่สามีไม่ทราบอันนี้จะเป็นบาปไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นการรักท ร, รัพย์ของเขาหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นส่วนที่เขาให้เราแล้วเป็นของเราแล้วเราเอาไปใช้ที่ไหนกับใครไม่ต้องบอกเขาก็ได้ถ้าเป็นของเรายันอยู่ที่ว่าทรา์ที่เร า, เาไปใช้นี่เป็นของเขาหรือเป็นของเราถ้าเป็นของเขาเราก็ต้องขออนุญาตจากเขาก่อนถ้าเป็นของเราเราก็ไม่ต้องขออนุญาตเราสามารถเอาไปใช้ได้ตามอธัธยาศัย คำถามต่อไปจากคุณจุลาลักษณ์การที่พระบังองค์สามารถทราบได้ว่าใครป่วยเป็นอะไรเพียงเห็นหน้าเป็นเพราะเหตุใดและคารวะสามารถปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นได้หรือไม่ครับได้ถ้าใครปฏิบัติจิตก็จะรู้จิตว่าเวลาจิตสบายหรือไม่สบายนี้มันก็จะสแสดงออกทางหน้าตา ก็เหมือนกับคนที่เรียนดูดูเพชรดูทองดูอะไรถ้าเรียนแล้วก็จะดูเห็นว่าเพชรจริงเพชรปลอมเป็นยังไงทองเก้ทองจริงเป็นยังไงการปฏิบัติจิตการศึกษาเรื่องจิตก็เป็นเรื่องดูเรื่องราวของจิตใจแล้วจิตใจนี้มันก็ต้องแสดงออกผ่านทางร่างกายผ่านทางร่างกาย เวลาคนที่เครียดนี่สังเกตดูจะแก่เร็วจะผมจะหงอกฮะพวกที่ไปรับตำแหน่งบริหารสูงๆเนี่ยผู้จัดการนายกรัฐมนตรีนี่เวลาเข้าไปใหม่ๆนี่ผมยังดำยังหลอ่อแต่พอเป็นสักพักนึงเนียดูแก่ลงเพราะความเครียดความความวุ่นวายใจมันมีเยอะแต่พอหลังจากค้นตำแหน่งไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาดูหนุ่มขึ้นอีกแล้ว คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีสามคำถามนะครับคำถามแรกในการทำงานที่มีคอร์รัปชันที่ต้องทำงานร่วมกันแต่เราไม่ได้มีส่วนในอันนั้นเพียงแต่ทำหน้าที่ครับคำถามที่หนึ่งเราจะมีผลต่อกำนั้นด้วยไหมครับถ้าเราได้รับประโยชน์และเรามีความตั้งใจที่จะทำเพื่อให้ได้รับประโยชน์นั้น ถึงจะมีมีกรรมตามมาแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีไม่มีความต้องการในประโยชน์นั้นมันก็ไม่มีไม่มีเจตนาครับแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นความทุกข์ใจเป็นอารมณ์ใจไม่ยอมรับที่จะทำงานด้วยหรือนี่คือความจริงที่เราไม่ควรห น, นีครับมันก็เป็นเรื่องที่เรา ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันมันนดีหรือมันเป็นคุณเป็นโทษกับเรา ม, มันก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจได้ถ้าเราถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีความไม่สบายใจกับงานที่เราทำถ้าเราเปลี่ยนงานได้เราก็ลองไปเปลี่ยนงานดู ครับและในเวลาที่เราพูดความจริงออกไปเพื่อประโยชน์ต่อองคอ์กรแต่ถ้าเขาไม่พอใจนั่นเป็นกรรมต่อกันไหมครับก็เป็นเพราะถ้าเขาไม่พอใจก็แสดงว่าเขาก็จะมีเวมีจองเวนจองกรรมกับเราแต่เวลาที่เราพูดอะไรเราก็ต้องคิดล่วงหน้าก่อนว่าพูดไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรกลับมา แล้วเราพร้อมที่จะรับกับผลนั่นหรือไม่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับกับผลกระทบเราก็อย่าไปพูดการจองเวรจองกรรมคือสิ่งที่เราทำร้ายไปทาร้ายหัวใจไปมาต้องทำยังไงให้หยุดครับก็ต้องให้อภัยไง <c oughs> รู้จักคำให้อภัยไหมย <c oughs> ยกโทษยกโทษถ้าเขาไม่อยากหยุด อ๋อเขาเราช่วยเราห้ามเขาไม่ได้เขาไม่หยุดเราก็ต้องรับกรรมไปเพราะเราไปทำให้เขาโกรธเขาก็เลยมาจองเวรจองกรรมกับเราต่อไปก็จำไว้ว่าถ้าเราไม่อยากจะให้ใครมาจองเวรจองกรรมก็อย่าไปทำให้เขาโกรธอ่าเชิญเชิญได้เชิญ จะขอช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยอ่าถูกไหมครับอยากจะขอวิ ธ, ววธีในการทําวิปัสสนาหน่อยครับคื อ, คอวิปัสสนา t ี i คือการเจริญปัญญาครับต้องทำอย่างไรบ้างครับคือ ก, ก, ก็เหมือนกับการไปเรียนหนังสือไงเรียนทางโลกเราอยากจะเรียนวิชาไหนแล้วก็ไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือ เรียนภูมิศาสตร์แล้วก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางปัญญาท่านท่้นสอนเราให้เรามาเรียนรู้ทางทางไตรลักษณ์คือคุณลักษณะสามประการของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้หนึ่งเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือเป็นคน หรือเป็นของที่เราผลิตขึ้นมามันเป็นของชั่วคราวคือมีเจริญมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีเสือ่อมมีดับไปมีเสียอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งของสิ่งต่างๆทั้งคนด้วยคนก็เหมือนกันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรือยังไม่ทันแก่ทันเจ็บทันตายเขาก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากเป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้ จากคนที่เอาใจเราเป็นคนไม่เอาใจเราอันนี้คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของเป็นยศตำแหน่งอะไรต่างๆเป็นรางวัลอะไรต่างๆหรือเป็นรูปเสียงกลิ่นนัดที่เราเสพกันมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ แล้วมันก็จะมีผลกระทบกับจิตใจของเรามันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปหวังว่าจะต้องได้ถ้าเราไม่หวังเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราหวังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้เราก็จะทุกข์หรือว่าเราได้มาแล้วเราก็หวังให้เขาอยู่กับเราไม่ไม่จากเราไปพอเขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์นี่คือลักษณะที่สองของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย เขาจะไม่เที่ยงเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไปหวังไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะว่าคุณสมบัติข้อที่สก็คือเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เราอย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างนั้นบางทีก็เปลี่ยนได้แต่บางทีก็เปลี่ยนไม่ได้ อันนี้คือให้ศึกษาก็คือให้พิจารณาอยู่เนืองเดือนตรงนี้ให้จําไว้จะได้ปล่อยอวางพิจารณาอธิษฐานทุกครั้งเมื่อให้ไปยึดไปติดอพอเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเรารู้ว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการจากไปพอเกิดเวลาที่ต้องการจากต้องจากกันไปก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจที่เศร้าโศกเสียใจเพราะลืมคิดกันคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆพออยู่ดีๆเขาก็จากไป ก็จะทำให้เสียอกเสียใจขึ้นมาอั น, อนนี้คือวิปัสสนาทางพุทธศาสนาคือการศึกษาไตรลักษณ์คำถามต่อไปจากคุณอรุโนไทยทำอย่างไรไม่ให้ใจ <c oughs> ขออภัยครับทำอย่างไรไม่ให้ใจโรกลัว แม้เรารู้ว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้แต่ใจเราก็กลัวเขาเราปรุงแต่งจิตเองหรือเราควรฝึกให้ชินกับความกลัวในใจเราได้อย่างไรบ้างเจ้าคะคือความกลัวของใจเราก็เกิดจากใจเราไม่สงบนะแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้อย่ามาทำร้ายเราเออวิธีที่จะทำให้เราไม่กลัวก็คือ เราต้องหัดทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพราะเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาความรักชังกลัวหลงก็จะไม่มีในขณะนั้นวิธีกำจัดความกลัวที่ถูกต้องก็คือทำใจให้สงบฝึกสติหัดพยายามนั่งสมาธิพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วพอใจสงบใจก็จะเป็นกลาง ความรักความชังความกลัวความหลงที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปใจก็จะเฉยกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกรักไม่รู้สึกชังคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามตั้งแต่ปฏิบัติธรรมทุกวันพระนั่งสมาธิทุกวันและฟังธรรมะทุกวัน แต่มีเพื่อนบางคนคิดว่าเราปฏิบัติธรรมมากเกินไปแล้วอยู่ดีๆก็ไม่คบกับเราโดยไม่รู้สาเหตุและเพื่อนก็น้อยลงไปเจ้าคะ่ะโดยที่ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเหมือนยิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งไม่มีเพื่อนแต่โยมก็ไม่รู้สึกโกรธเพื่อนเหล่านั้นแต่บางครั้งก็รู้สึกงงว่าเราไปทำอะไรให้เขายมควรจะวางใจอย่างไรดีเจ้าคะคิดว่าเราควรเมตตาให้มากกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะ มันไม่เกี่ยวว่าความเมตตาหรอกมันเป็นการเปลี่ยนทิศทางของการเดินของเรานั่นเองเราเคยเดินไปกับพวกที่อชอบคบค้าสมาคมทํากิจกรรมร่วมกันแต่พอเรามาทางธรรมนี้เราจะออกจากการไปคบค้าสมาคมไปร่วมทํากิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อเขารู้ว่าเราไม่ทํากิจกรรมกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเท่านั้นเอง มันเป็นการเปลี่ยนทางเดินของเราจากการเดินอยู่ในสังคมกับออกมาอยู่นอกสังคมแต่ที่เราทำนี้เพราะเราเห็นว่าการเดินในสังคมนี้มันวุ่นวายมันมันทุกข์มากกว่าสุขสึ่งมาทางทางธรรมทางสงบนี้มันสุขมากกว่าความทุกข์นั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไร เรื่องของความเมตตาเราก็ให้กับทุกคนเหมือนเดิมถ้าเขามาพบปะ ก, กันก็ทักทายกันเยี่มแยีมอะไรให้ความเมตติจิตต่อกันถ้าช่วยเหลืออะไรได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือไปอันนี้แล้วก็เป็นปกติแต่เป็นเรื่องธรรมดาของรสนิยมเมื่อเขากับเรามีรสนิยมไม่เหมือนกันก็ไปร่วมไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่ได้ เขาชวนเราไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไม่ไปไม่เราอยากจะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการเดินทางคนละทิศเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ต้องกลัวเราทางนี้ก็มีเยอะแยะมีเพื่อเยอะแยะเดี๋ยวปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดคำถามต่อไปจากคุณใหญ่มีสองคำถามครับคำถามแรก ด้วยกาด้วยที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงการนอนสวดมนต์ทำวัดเช้าจะเป็นบาปหรือเป็นกรรมหรือไม่ครับรู้สึกว่าไม่เหมาะสมและไม่สบายใจครับถ้าเราอยู่คนเดียวของเรานี้ก็ไม่เสียหายอะไรเป็นการทำบุญก็ยังเป็นเหมือนการสวดมนต์ไหว้พระตอนที่เรานั่งได้เพียงแต่ว่าถ้าเรานั่งไม่ได้เราต้องทำในท่านอนก็ทำได้ แต่ว่าโอกาสที่มันจะหลับมันมากกว่าในท่านั่งแต่ก็ดีอย่างก็จะได้ปัญญานอนหลับคนที่นอนไม่หลับนี่ถ้าสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลับได้ไม่ต้องกินยานอนหลับให้เสียเงินเสียทองไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ที่เราไม่นิยมทำในท่านอนกันก็เพราะว่ามันได้ประโยชน์น้อยโอกาสที่จะหลับมันมากจึงนิยอมทาในท่านั่งท่ายืนหรือท่าเดินกัน งั้นถ้าเราอยู่ทับกับผู้อื่นเราก็ต้องทาตามผู้อื่นเขาถ้าเราไปวัดอย่างน้เขานั่งสวดมนต์กันเราไปนอนสวดมนต์กับเขาก็คงจะไม่เหมาะอันนี้มันไม่มันมันไม่เข้ากับเขาเวลาทำกิจกรรมน่วนกันเรามักจะให้ทำเหมือนๆกันจะได้มีความสามคัคคีมีความพร้อมเพรียงมีกำลังใจส่งเสริมสนับสนุนกัน คำถามที่สองการที่เราต้องใส่รองเท้าใส่บาตรจะเป็นบาปหรือไม่ครับเ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าได้บุญน้อยเพราะการใส่บาตรนี้ได้บุญหลายอย่างบุญเวลาใส่บาตรนี้เราได้บุญจากการเสียสละแบ่งปันเข้าของของเรานี้ก็บุญอย่างหนึ่งการถอดรองเท้านี้ก็เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่เรา ใส่บาทด้วยคือเราถือว่าพระสงฆ์นี้สูงกว่าเราเพราะท่านมีศีลมากกว่าเราเราก็ต้องการที่จะแสดงความเคารพ ก, การมีสัมมาคารวะก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่ง mm. เมื่อท่านไม่ใส่รองเท้าเราก็ต้องไม่ใส่รองเท้าเ mm. พราะถือว่าถ้าเราใส่รองเท้าเราก็ยืนอยู่ในที่สูงกว่าท่านก็แสดงว่าเราไม่ให้ความเคารพท่าน mm. เราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้ แต่มันไม่บาปเพียงแต่ว่ามันมันจะไม่ได้บุญถ้าพูดง่ายๆก็คืออาจจะเรายังอาจจะถือตัวอยู่ถือว่าเรารวยกับเขาเราให้เงินเขาเราต้องอเราก็ต้องสูงกว่าเขาคนมารับมาขอทานมันก็ต้องต่ำกว่าเราถ้ามองภาพแบบนั้นก็ไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้เหมือนกับให้เงินขอทานเราก็ไม่ถอดรองเท้าแต่ถ้าเราใส่บาตรเรา ถ้าเราถือว่าพระสูงกว่าเราเราก็ต้องถอดรองเท้าเราต้องลดวัดอัตราตัวตนเราเพราะอัตราตัวตนนี้มันก็เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้คําถามต่อไปจากคุณบุญเสริมถ้านิพพานอยู่ที่ใจแล้วเราก็จะสามารถสัมผัสกับนิพพาน ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ตั้งแต่วันที่กิเลสสิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็สัมผัสกันนิพพานได้พระพุทธเจ้าสัมผัสกันนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่ทรงประทับอยู่ใต้โขนต้นโพตอนนั้นท่านก็จิตของท่านก็เป็นนิพพานแล้วนี่คำว่านิพพานนี้เราก็เลยมาใช้แทนคําตายของพระพุทธเจ้าเราก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานตอนที่ตายเวลาพระ เวลาคนตายนี่เรามักจะไม่ชอบใช้คําว่าตายใช่ไหมเรามักจะหาคําอื่นมาแทนอย่างพระเจ้าแผ่นดินตายแล้วก็บอกว่าเสด็จสวรรคตเวลานายกตายก็ถึงอสัญญกรรมแต่ไม่ชอบใช้คําว่าตายหาคำตายคาอื่นมาแทนคําว่าตายเวลาพระพุทธเจ้าผ้าอหานตายแล้วก็บอกว่าท่านนิพพานแล้วความจริงมันก็แปลว่าท่านตายแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไปถึงนิพพานท่านถึงตั้งแต่ยังไม่ตาย ตั้งแต่วันที่ท่านสิ้นกิเลสวันที่ท่านสามารถาทำลายกิเลสที่มีอยู่ในใจให้หมดไปวันวันที่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นแหะเป็นวันที่ท่านถึงนิพพานแล้วคําถามต่อไปจากคุณบรีสถ้าไปบวชชีแบบไม่ศึกแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่จะเป็นบาปไหมเจ้าคะ ไม่บาปหรอกเพราะพระพุทธเจ้าไปบวชก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อเพ็ยแต่ว่ า, าศาสนาพุทธไม่อยากจะให้คนอื่นมากล่าวหาทีหลังว่าไปหลอกลวงลูกเขามาบวชนั่นเองไม่บาปแต่อย่างใดอยากให้พ่อแม่เห็นดีเห็นชอบด้วยจะได้ไม่มากล่าวกล่าวร้ายาศาสนาหาว่าหลอกเอาลูกเขาไปบวชคำถามต่อไปจากคุณชอบเพชร อริยสัจสี่มีความสําคัญอย่างไรเจ้าคะก็เป็นความจริงเกี่ยวกับความสุขกับความทุกข์ของเรานี่เองทางใจนพระพุทธเจ้าส่งคนเพราะ ว, ว่าความทุกข์ทางใจของเราทุกตอนไหนทุกตอนแก่ทุกตอนเจ็บทุกตอนตายทุกตอนที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือทุกตอนที่เราได้พบปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบอนี่คือ ปริยสัตว์คือความจริงความทุกข์ใจของเราเกิดตอนไหนเกิดตอนแก arbeiten, syrup, ่เกิดตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดตอนตายเป็นต้นแต่ท่านก็ดูว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกทางใจนี้เกิดจากอะไรไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสาเหตุทําให้เราทุกข์กันเหตุที่ทําให้เราทุกข์ทางใจคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายะ ถ้าเราอยากแก่ีนเวลาแก่เราจะดีใจเราจะไม่ทุกข์ใจเห็นไหมตอนเป็นเด็กอยากแก่มันไอยากจะโตกันนัใช่ไหมพอโตดีใจไอดีใจพออยากแก่ไม่ไม่ไม่เสียใจเพราะอยากแก่ตอนนั้นแต่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวล้วทีนี้ไม่อยากแก่แล้วสิพอแก่เสียใจไหมเสียใจเพราะความอยากของเราไม่ใช่เพราะความแก่หรือความเจ็บหรือความตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็อยากไปอยากเท่านั้นเองอยากไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจของเราเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ไม่ไม่อยากก็คือต้องทำใจให้สงบนั่นเองทำใจให้เป็นสมาธิมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาเราใจก็จะเฉยจะไม่มีความอยาก เวลาแก่ก็จะเฉยไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยไม่ทุกข์เวลาจะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจเฉยนีอนี้คือประโยชน์จากการที่เรามาฝึกสมาธิกันสมาธินี้เป็นเครื่องมือประกอบกับปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่าเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แล้วเราก็ทําอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ นอกจากเฉยกับมันเท่านั้นแล้วเราจะปลอดภัยจากความทุกข์นี่คืออริยสัจสี่ทุกต้นเหตุของความทุกข์วิธีดับทุกข์ดับด้วยการใช้สติปัญญาใช้สมาธิใช้อุเบกขานี่คือประโยชน์ของพระอริยสัจสี่ถ้าเราสามารถทําตามที่พระเจ้าสอนให้ทําได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป